อยาวสองเมตรางเมตรตาแ้จ้ะอยู่ประจานี่อยู่ช่วงเขอยู่ประจำวะอยู่ประจำวะเขาเริ่มมาไปวัดทช่วงเขาช่วยงานน้าเลยจ้ะอยู่ได้กี่ปีแล้วน่าอยู่กี่ปีแล้วมาวัดตรงเมตาทั้งหมดสิบสาปีเจ้าส3ปีอยู่ที่วัดทำอะไรกันบ้างไง ที่วัดทำอะไร ก, ก็ดงช่วยงานทั่วไปเจ้าค่ะงานอะไรเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างทำความสะอาดโมก็มีหน้าที่อยู่ข้างล่างพมกไม่ตามีหน้าที่ทำคีย์บอร์ดเจ้าค่ะมีเวลาภาวนาบ้างรึเปล่ามีเวลาภาวนาบ้างรึเลาาปล่าไม่ ค, ค่อยจะมีสุขภาพทำไมนะ ทำไมมาเลี้ยงหมาทำไมบวชมาเลี้ยงหมา <c oughs> ยมก็ เ, เอามาให้เลยเลี้ยงก็คเคยไปใช่อนเรามดวมาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบวดมาเลี้ยงใจ <c oughs> ใจของเราไม่เลี้ยงเหมือนกันเลย <c oughs> มันได้หิโหดย <c oughs> แล้วไม่ทีทาอะไรกันบ้า ช่วยก็ปฏิบัติในในวัดจ้ะและ้วก็ช่วยงานที่วัด่ ะ, ะแล้วเวลามาบวชชีรู้เปล่ามาบวชทำไมบวชทำอะไรเหมือนไปโรงเรียนไปเรียนไปดักเรียนเขว่าเรให้เรียนหนังสือมาบวชชีก็ให้มาเลี้ยงหมาเลยฮะเรียงไงวันๆันทำอะไรไเลี้เราตั้งแต่เช้าวันนึงทำอะไรตื่นขึ้นมาทาอะไรมั้ ก็มีธรรมวัอชูเท่า่ทำกี่โมงสี่ทุ่มค่ะทำกี่โมงประมาณตีห้าทุ่มค่ะก็มีช่วงบ่าย่ะมีนั่งสมาธิว่าตอนทำวัดช้านั่งกี่นาทียีสิบประมาณยี่สิบนาทีค่ะนดยมันใส่ก็นั่งยี่สิบนาทีโดยมันเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วทำอะไรต่อตัดเช้าก็ อาา<ำ>อาจากที่สวนมันมไปทำอะไรกันต่อทาความสะอาดะะ่อแาแล้วก็จัดอาหารในชรตงนี้เลยหรอคะได้ไงต่อจัดถึงกี่โมงก็ประมาณเจ็ดโมงถึงสองโมงเช้านะคะเรียบร้อยแล้วก็ช่วงเช้าช่วงนี้จะมีเวลาว่าดช่วงทำอาหารเสร็จแล้วไปเอาไปถวายพระก่อนนะถ <c oughs> วายตอนกี่โมง ตอนกลางวันก็ไม่ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเจ็ดโมงจะสิบโงึเจ็ดโมงครึงพราะกลับจากวินระบายค่ะแล้วก็ชันที่ศาลาค่ะันรวมกันค่ะันในบาทหรือเปล่าชันเป็นกลุอย่างันสำหรับชันวงนะโอ้ชันเช้ามีกี่วงมีกี่รูปอะสี่หกสิบี่้ หกวงเหรอหวงบําบัดมีห้าห้ารูปกรูกพระอาจาร์มีห้าหกลรอก็วงเดียวเลยวงเดียวครับวงเดียวพาวงเนวงครับท่านเสร็จแล้วญาติโยมก็กินข้าวกันครับนเสร็จก็เก็บกวาถูเสร็จกี่โมงนะึ่งก้าโมอ่ามงเก้าโงเสร็จไหแล้วทำอะไรต่อ เยกย้ายกันไปทาความสะอาดบ้างไปปฏิบัติบ้างอะไรอ่างี้ค่ะขอบนุช่วงเช้าปฏิบททัติคือ9โมงคึ่ะอาจารย์9โมงึถึง11โมงจะมีช่ว ง, ป, งปฏิบัติของที่พามที่มาบวชนะครับออปฏิบัติที่ไหนที่มิสศาลาครับาลาช่วงนี้ว่างาาอาจารย์ช่วงนี้ว่างาอ้าไม่ได้ทขึ้นบ่ายขึ้นบ่ายช่วงนี้ว่า ง, ามมงว่างให้กลับไปที่พระแล้วยกม่ค่ะนี่ไง เก็บทำเก็บทาความสะอาเสร็จแล้วไปไหนต่อ9โมงคึ่นก็พก็บางคนบางคนก็พขะบางคนก็ไปสวดมนต์ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค yes ่ะตามอัธยาศัยใช่ค่ะเินถึง18โมงก็ิน้วกล้องกินไป2ชัวโมงกินต่อทำไม่กินหนเดียวทำไมมันจะตายเหนี่อยถ้า กินรวมกันทีเดียวมีสองชั่วโมงมันต่างกันตรงไหนอ่ะนะคิดดูหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ได้กินทั้งสิบกว่าชั่วโมงยังอยู่ได้ทําไมช่วงสองชั่วโมงนั้นทําะไรอยู่ไม่ได้ไม่กินมันหนเดียวให้มันเสร็จไปเลย ม, มาทํานสองรอบนะแต่แล้วก็เรามามาจัดมาตั้งวงใหม่ อาหารจากที่เมื่อเช้าเนี่ยแะจากตอนเช้าเลย่มีคนมาคนมานี้เก็บอาหารบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็อาจะมีมาถวายเพิ่มมาครับมีคนมาทำบินตอนเทีงก็เหมือนกับตอนเช้าเลยกินที่สาราสัานีสาราใคาอยากจะมาถวายเพิ่มก็ถวายได้ถึงเที่ยงเที่ยงเสร็จแล้วทำอะไรต่อ ก่อนเทสยาสคนแค่รังเทสยาัยแล้วบ่ายโมงก็ขึ้นปฏิบัติต่อค่ะายงเครืบ่ายโมงขึ้นขึ้นเสาร์อาทำอะไรนั่งสมาธิค่ะวัดมนแล้วก็ฟังเทศแล้วก็นั่งสมาธิค่ะอถึงกี่โมงถึงสประมาณสี่โมงเย็นค่ะสี่โมงแล้วทาอะไรต่อก็ลงมาอาบน้ําทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บ่ายมงก็ขึ้นรังบวชค่อนนาดลาน ก็หกโ่งครึ้นขึ้นต่อค่ะขึ้นต่อใบพัดสวดมนนั่งสมาธิต่อมีมีมีพระสอนธรรมะป่ะมีพระเทศให้ฟังห้วอเป่ตอนไหนตอนกี่โมงก็ช่วงตอนเย็นนะคะตอนเย็นค่ะเทศสดแล้วเปิดเปิดเทศฟังไม่ได้เปิดแล้วจ้ะไม่ได้เปิดเทศสดกายหลวงพ่อเลย กลาเป็นคนกลาเป็นคนเท่ก็พระเจ้าวาดอยู่พระอาจารย์พระสมุทูสชาติอย uh huh. ู่ก็ท่านจะเทศ่แต่ถ้าเราอยู่ก็จะมีพระพระอีกองค์ที่ช่วงกลางวันนะครับอาจารย์ตอนนี้พระเจ้าวาดไม่เคยอยู่เะยเรไปเรียนอาจารย์ไปเรียนไปเรียนอาจารย์ทานพุธสามวันไปเรียนอะไรวันเรียนที่วัดใหญ่ที่จุลีครับอาจารทานพุธครับ ไปเรียนบาลีหรือไปเรียนอะเรียนแรกเรบยนม2เรียนของรักสูตรเจ้าวาดอนนี้จบแล้วนี่ตุลิตจะว่าต่อไปเยตีอะไรหน่อยครับเป็นเจ้าคณะอำเภอให้ไปส่งให้ไปเรียนให้เรียนเพิ่มไปเรียนเยีตีครับทางไหนทางพุทธศาสนารงอะครับไปเรียนที่ไหนที่วัดใหญ่อินทรามครับท่านปุณิอะไรไปเรียนจอมรีครับมีหลักสูตรไปริญญาเลยครับ ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่วัดครับไปทข้างคืนที่นั่นเลยไม่ข้างก็คือไปไปเช้ายึงกลับไปเช้ายึงกลับกลัก็ถึงก็จะกลับก็ประมาณสองทุ่มครับสองทุ่มครับไปมีรถวัดพาไปฉันก่อนฉั้นเพลงก่อนแล้วก็ไปของฉันเพลงก่อนช่วงช่วงเช้าถึงเพลงนี่อยู่อยู่ค่ะฉันพุทธุกฉันทางพุทธฉันทางพุทธ วันอื่นถ้าท่านอยู่ตั้งกระลงเทพออยู่กระลงเทศแล้วตอนท่าทําทําวัดสวดมนต์นั่งสมาธิถึงกี่โมงถึงประมาณสองทุมคึ่งหรือสามทุ่มสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มขวันพระก็อยู่เที่ยงพระตรงเที่ยงคืนหร้ออย่างคืกว่าอเสร็จแล้วก็แยกกันกลับไปพักพลอยครับตีสี่ก็ลงมาใหม่ครับ เป็นไงดีไหมจิตใจสงบสบายไหมได้สมาธิไหมนั่งใจสงบไหมมีปัญญาไหมพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายหรือเปล่าเห็นความแก่ความเจ็บความตายหรือเปล่าเป็ น, นสุภาพไหม ที่นันเป็นแบบว่าเขาเป็บวดกันไปไปกลับไปกลับเยอะอสามวันนะฮะวันเดียววันจะเยอะพวกบนแก่บนบนยาบนเป็นความวุ่นวายคนอยู่เยอะอพวกพัทยาอย่างสสอย่างคนนี้ก็จะมาเดือนอย่างแบบยังไงจะมาเดือนอย่างยมอย่าอยู่ประจคำ นี่แจ้งบอกมาหยุประจำนี่ก็เพิ่มมาแต่ถ้าหยุดประจำถ้าแก่ก็ประจำถ้าสาวก็ไม่ประจำสาวเดี๋ยวว่าเขากลับไปในพิชชี่ะ้ามาทางตะไันตกมาอยู่สามวันสมันสามคือสามวันห้าวันห้าวันค่ะแล้วพักที่ไหนขรางในชะลาเพี่ยที่ผ้าคลองพักครับเนี่ย พักรวมเพราะเราสละสิบห้คนอ่าห้องใหญ่เนี่ยห้องใหญ่เลยมีเตียงแล้วเป็น น, ง อ, นองกับเพืินอนกเพลินซื้ อ, อปูเสือเลยจ้ะจาก บ, บ, บวชสามสุดวันนี้จะต้องการนะอะไรก็ต้องการความสงบคะ่คะค่ะแล้วสงบไห ม, ไมยังก็ไม่ค่อยสงบเท่ไาไหร่ค่ะทำไมลนะ่ะ ทำไมไม่สงบไม่รู้จักวิธีทาให้มันสงบรู้ไหมว่าวิธีทำใจให้สงบทันยังไงไม่คิดเลยคิดหยุดคิดได้ไหมอยากคิดอยากคิดหยุดคิดหยุดคิดน้องท่องไปเลยบอกอยากคิดอยากคิดหยุดคิดหยุดคิดเดี๋ยวก็สงบเองถ้าคิดมันก็ไม่สงบ คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็คิดไปวมาวนไปเวียนมาคิดแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาอยากไปทํานู่นทนํานี่อยากไปหาคนนั้นคนนี้ <c oughs> ใช้พุทธโธเป็นไหพุทโธพุทโธเป็นไหมทำพุทธโทท ธ, โท ไ, ททธโทได้ทหมทำได้สักกี่นาที ไม่เคยนับสักทีค่ะท่องอย่างเดียวเลยค่ะ <c oughs> นานนานไ้ย <c oughs> ช่วงมั่นสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเหมือนไม่ทําอ่ะช่วงเหมือนก็ทําได้ช่วงทํางานนี้ก็ทําได้ทํางานไปก็พุทโธพุทโธไป <c oughs> ทําได้ตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลยพอเริ่มตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลยไม่ว่าจะไปทําอะไรก็พุทโธพุทโธไป ถ้าทำอย่างนี้ใจจะสงบได้ถ้ามาทําแต่เฉพาะช่วงนั่งสมาธิมันก็นั่งเดียวเดียวมันก็ไม่พอมันก็ไม่สงบพอไม่นั่งก็ไม่เลยพุทธโธแล้ะก็คิดแล้วพอคิดไปก็ไม่สงบต้องพยายามหยุดคิดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้คิดอยู่กับพุทธโทธพุทธโทธพุทธโทธไป หนึ่งตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยหนึ่งตาขึ้นมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปงคั น, ำ น, ำนำคทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปลองกลัวก็พุโทโธล้างถ้วยล้างชามทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าคุยกันคุยกันหรอพุโทโธพุโทโธไปด้ยืยๆถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวใจก็จะสงบได้ ใจสงบแล้วก็จะสบายเบาเยน็นมีความสุขจะไม่อยากกลับวัดไม่อยากจะกลับบ้านเราจะอยู่วัดไปเรื่อยๆถ้ามีความสงบแล้วไม่อยากจะไปไหนความสงบนี้จะทำให้ใจอิ่มใจพอไม่หิวไม่อยากไม่โลภไม่โกรธ มันต้องพยายามใช้พุโทโธถ้าไม่มีพุโทโธมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนรถที่วิ่งไหลลงเขาเนี่ยถ้าไม่มีเบรคมันก็ไหลไปเรื่อยๆถ้ามีเบรคมันก็หยุดได้ใจก็เหมือนรถวิ่งลงเขาเนี่ยคิดไปได้เรื่อยๆตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วเรื่อยคิดไปเรื่อยๆถ้ามันคิดมันก็จะไม่สงบมันไม่นิ่ง ถ้าหยุดคิดได้มันก็จะนิ่งต้องใช้พุโทโธหยุดมังพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้อย่าไปทำเฉพาะเวลาไปที่ศาลาเทนะ่านั้นต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยถ้าอย่างนี้จะสงบง่ายเวลาไปนั่งที่ศาลาปุ๊บมันก็จะสบายสงบ ก่อจะนั่งไปนั่งศาลาก่อนจะสงบ ก, ก็เลือกนั่งนั่งได้ยี่สิบนาทีก็ต้องลุกแล้วพอลุกก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่คุมมันแล้ไม่พุดโธแล้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่มีวันที่จะสงบนะการมาอยู่วัดนี่งานหลักงานจริงๆของเราก็คือการทำใจให้สงบ ส่วนงานอย่างอื่นก็ทำไปตามความจําเป็นต้องกินก็ต้องหาต้องทำเสื้อผ้าก็ต้องซักต้องใสอันนี้เป็นงานภายนอกแต่งานของเราจริงๆงานภายในงานทาใจให้สนกถทำมูแต่ทำงานภายนอกแล้วไม่ทำงานภายในควบคู่ไปด้วยก็จะได้แต่งานภายนอก ได้สักผ้าได้ทํากับข้าวได้กินข้าวได้อาบนนะ้ำแต่ใจก็เหมือนเหมือนกับไม่ได้มาอยู่วัดใจก็เหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านทําอย่างไรมาอยู่ที่วัดก็ทําอย่างนั้นเมื่อมาอยู่ที่วัดต้องอย่าไปทําเหมือนอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่วัดก็เล SA ิกคิดถึงคนนั้นคนนี้เ ร, เ, รเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีเรื่องให้คิดแล้วเพราะเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยที่บ้านอาจจะมีเรื่องให้คิด คนนั้นคานี้ถสงนั้นเีงนี้พอมาอยู่วัดนี้ไม่มีใครแลไม่รู้จักใครแล้ก็หยุดคิดมันดีกว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยถ้าเบื่อพุทโธก็ท่องอิติปิโสไปก็ได้อิติปิโสภะคะวาอาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะัละนาสัมปันโนสุขตโตโลกะวิจูปันิตโรโพ ร, ริสัตถานมสสารพิสัธา เทวมนุษยานังพุโทโธภาคะวะติวาค า, าโตภาควตาธรรมะมสวดไปนี้ไปเ ร, เรื่อยเพื่อจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. พอใจไม่คิดก็ลองหยุดสวดก็ได้ดูซิว่ามันจะอยู่เฉยๆได้ไหยถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องสวดไม่ต้องพุโทโธก็ได้พอมันจะคิดกับพุโทโธมาสวดใหม่ เวลาไม่คิดมันก็จะเย็นจะสบายจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายใจเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายใจต่างๆเราไม่ได้เอาเข้ามาในใจเราปล่อยให้มันอยู่ข้างนอกใจเราอย่าไปแบกมันใจเราชอบไปแบกเรื่องต่างๆเอาเรื่องต่างๆเข้ามาแบกซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องของใจเลยแต่ไปแบก พอไปรักไปชอบไปหลงแล้วก็เลยไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องไปวุ่นวายกับเขา mm hmm. อย่าไปแบบกไวยเข้าไปเถินร่างการนี้ก็ไม่ทําไปแบกบอันี้มันก็ตายแนละ้วแค่คิดอย่างนี้ mm hmm. ทรัพย์สมบัติขของเงินทองพอตายไปก็เป็นของคนอื่นไปหมดแนละ้ว mm hmm. ไม่ใช่ของเรา mm hmm. ใจนี่เรเป็นของเรา mm hmm. เอาใจตัวเดียวพอ ดูแลรักษาาจของเราด้วยการไม่ให้มันคิดไม่ให้มันไปแบกเรื่องราวต่างๆให้มันรู้เฉยๆรู้อยู่กับปัจจุบันตอนนี้อยู่ตรงไหนให้รู้อยู่ตรงนั้นตอนนี้อยู่ที่นี่ให้รู้อยู่ตรงนี้ <l ots> อย่าไปคิดถึงตรงนู้นตรงนั้นอย่าไปคิดถึงที่นั่นที่นี่ให้อยู่คู่กับร่างกายไปร่างกายอยู่ตรงไหนใจก็อยู่ตรงนั้น ร่างกายยืนใจก็ยืนร่างกายนั่งใจก็นั่งไปกับน่างกายทาอะไรร่างกายทำอะไรก็ทำไปกับร่างกายหรือไม่ทําทไปกับพุโทธโทธโทไพุทโธพุทโธพยายามทำพยายามหยุดคักคิดให้ได้เราจะพบกับความสุขความสุขที่จะไม่ทำให้เราผิดหวังไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีอันนี้ เดี๋ยวต้องทำให้เราผิดหวังเดี๋ยวเขาก็หนีเราไปจากเราไปทิ้งเราไปพอเขาไปความสุขที่ได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาอย่าไปหาความสุขภายนอกเอาความสุขภายในความสุขภายนอกมันหนักอกหนักใจเนะได้อะไรมาแล้วมันก็หนักอกหนักใจเป็นห่วงกังวล รักหวงห่วงใยไม่มีความสุขได้มาแล้วทนนี่จะมีความสุขกับต้องมาห่วงมากังวลต้องมาห่วงมาวิตกมากังวลมาหวาดมาแหวนจะอยู่กับเราได้นานแค่เท่าไหร่จะไปเมื่อไหร่จะจากเอาไปเมื่อไหร่จะเป็นอะไรไปด้วยป่ามีแต่ เรื่องให้แล้วต้องหนัก อ, อกหนักใจถ้าไม่มีอะไรแล้วใจมันจะเบาไม่มีอะไรแบบถ้าใจหยุดคิดมันก็หยุดแบบพอเริ่มคิดมันก็เริ่มแบบพอคิดแล้วก็เริ่มหนัก อ, อกหนักใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลองหยุดคิดดูให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไป หรือจะอยู่กับพุทธังสระนังกฉามิธรรมังสระนังกฉามิหลังคังสละนังกฉามิท่องไปเรื่อยๆท่องอยู่กับบทธรรมะต่างๆเรื่องอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุสติท่องบทธรรมะต่างๆถ้าเรียกธรรมานุสติท่องบทพุทธคุณก็เรียกว่าพุทธานุสติพุทโธพุทโธไปหรือธรมโมธรรมโมไปสังโฆสังโฆไป อะไรก็ได้ที่ทําให้เราไม่ต้องไปคิดถึงคนนัน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่แหละงานของเราที่แท้จริงมาบวชนี่มาบวชเพื่อมาทํางานแบบ น, นี้ไม่ได้มาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอันนั้นก็ทําไปแต่อย่ที่เงินหลักงานหลักก็ทําไปด้วยเลี้ยงหมาไปก็พุทโธไปเลี้ยงแมวไปก็พุทโธไปทําอะไรก็พุทโธพุทธโทไป ให้ร่างกายมันทำงานข้างนอกแต่ใจเราทำงานข้างในใจเราต้องทำให้มันสงบอย่าไปอย่าเอาใจไปทำงานข้างนอกด้วยเดี๋ยวเห็นหมาก็ห่วงใยมันเดี๋ยวจับบัดให้มันจับเห็บให้มันเดี๋ยวไปอาบน้ำให้มันอะไรไม่วัยไปหมเรียกให้มันอยู่ได้ก็พอให้มันกินข้าววันแล้วนื้อแล้วก็ปล่อยมันไปตามตามธรรมชาติัน อย่าไปแบกมันเลี้ยงเอาบุญพอมันอยู่ได้ก็พอแล้วเรามาเลี้ยงใจเราดีกว่าใจเรานี้ต้องการคนเลี้ยงไม่ก่มีคนเลี้ยงแล้วคนอื่นก็เลี้ยงใจเราไม่ได้เราต้องเลี้ยงใจเราเองเลี้ยงด้วยธรรมะทาใจให้สงบเลี้ยงด้วยพุทโธพุทโธพุทโธ พอนพุทธโธพุทธโธให้ใจไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็ว่างเย็นสบายสงบมีความสุขไม่หิวไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากไปไหนถ้าใจสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขถ้าใจไม่สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขมีมากมีน้อยก็ไม่มีความสุข ถ้าใจสงบแล้วมีหรือไม่มีก็มีความสุขนี่แหละงานจริงของพวกเรางานบวชของนักบวชคือการทำใจให้สงบงานอย่างอื่นก็ทำไปเท่าที่จำเป็นอันไหนไม่จำเป็นก็ตัดมันไปอย่าไปเอามาเดี๋ยวเรียงหมาขอคนก็รู้ว่าเราเลี้ยงเขาก็มาทิ้งให้เราเลี้ยงเพิ่มไปเรื่อยๆจากตัวสองตัวกลายเป็นสิบ เราก็จะต้องมาแบกพาละไว้เขาอยู่ไปตามธรรมชาติของเขานะ ล, ลองทำใจสงบกัน ด, ดูอย่าคิดอย่าคิดเวลามันคิดอะไรก็อย่าคิดอย่าคิดหยุดคิดคิดแต่พุโทโธพุโทโธไปนีดหน่ง หรือสวดมนตไปพุทธทางสานังกชามีไปต้องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆมันถึงจะหยุดคิดได้ใหมๆ่ๆมันยังไม่หยุดอ่ะมันแข่งกันเราพุโทโธไปมันก็คิดไปด้วยแต่ถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปอ้นเดี๋ยวมันก็หายไปหยุดไป เพไม่มีความคิดแล้วใจจะว่างจะเบาความคิดนี้ทําให้ใจหนักหนักอกหนักใจพราเราชอบไปคิดชอบเราชอบไปแบบเรื่องราวต่างๆแบบด้วยความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตอนนี้อยากจะให้สังกะราตเป็นคนไหนหรือเปล่า อยากให้เป็นองค์นั้นหรือเป็นอง์นี้หรือกป่ถ้าอยากก็หนักอีกอย่าไปแบกใครจะเป็นก็ปล่อยก็เป็นไปเป็นเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันไม่เป็นก็ตายเหมือนกันไม่เกี่ยวกับเราใครจะเป็นหรือไม่เป็นไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่เขาเป็นแล้วเราจะทำให้เราใจสงบมันก็ไม่สงบเหมือนเดิม ถ้าใครเป็นแล้วทำให้ใจเราสงบได้ก็ดีแต่ไม่สงบไม่เกี่ยวกันใครอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยก็เป็นไปใครมีบุญก็ได้เป็นใครไม่มีบุญก็ไม่ได้เป็นคิดแค่นี้ก็จบใครจะเป็นต่อใหอ้ต่อให้เทวดามาห้ามก็ห้ามไม่ได้ถ้าเขาจะเป็น ถ้าเขาไม่ได้เป็นต่อให้เทวดามามาช่วยยังไงก็มันก็ไม่ได้เป็นเป็นก็เท่านั้นไม่เป็นก็เท่านั้นมันไม่มีอะไรต่ามันเป็นมันเปรียบเหมือนเล่นเล่นยี่เกอ่ะเป็นตัวนําเป็นตัวละครตัวหนึ่งด้านห่มันไม่ได้ทําให้มีความสงบเราเป็นหรือไม่เป็น มีมีนิทานเกี่ยวกับสังกะร่าตองก่อนนั่นเนี่ยไม่ทราบองไหนเขาเล่าให้ฟังท่านก็ไม่แย่ยินดียินร้ายกับการเป็นอพอเขาตั้งให้ท่านเป็นแล้วก็ไปรับพัดไปรับตำแหน่งพอกลับมาก็ให้คนขับไปส่งที่หลังวัดหลงแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวหลวงตาจะลงตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาสังฆราชเนี่ยพัดเนี่ยไปทางหน้าวัดมีคนเขารอรับอยู่แต่ตัวหลวงตาไม่ไปด้วยลนั่นแหละคนที่เขาไม่อยากเป็นก็เป็นอย่างนั้นเขาไม่ได้ดีออกดีใจไปกับตําแหน่ง ก, กับพัดหรอกมันก็แค่พัดแค่ตําแหน่งนั่นเองมันไม่ได้ทําให้ตัวเองวิเศษวิโสขึ้นมาแต่อย่างใด เข้าใจไหมของทุกอย่างเป็นของสมมุติทั้งนั้นอ่ะของที่มีอยู่ในโลกนี้เขาสมมุติสมมุติให้เราเป็นเป็นเบอร์หนึ่งคนนี้เป็นเบอร์สองคนนี้เป็นเบอร์สามก็เป็นสมมุติกันงเลยคนที่เป็นเบอร์หนึ่งอาจจะเป็นเบอร์สามก็ได้คนที่เป็นเบอร์สามมันจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ ของแท้ของจริงต้องเกิดจากการปฏิบัติเป็นโสดาบันนี่ตั้งไม่ได้เป็นสกิร์ดาวามีตั้งไม่ได้เป็นอนาคามีตั้งไม่ได้เป็นอาาหันนี่ตั้งไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งไม่ได้ต้องเป็นจริงๆต้องทำตัวเองให้เป็นจริงๆต้องฆ่ากิเลสได้ฆ่ากิเลสได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว สังฆราชที่แท้จริงของาศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้ากับพาาาระอรหันต์เนี่ยที่ที่เป็นสังฆราชที่แท้จริงแต่ถ้าตั้งสังฆราชที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เหมือนกับตั้งลิงตั้งลิงมาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่มันก็ยังเป็นลิงอยู่นั่นแหละถึงแม้ว่าจะจับมาใส่เสื้อผ้าของพระราชาแต่มันก็ยังเป็นลิงอยู่นั่น สร้างใจของคนที่ยังมีกิเลสอยู่มาเป็นสังฆราชมันก็เหมือนกับตั้งจับลิงมาเป็นเป็นพระราชามาหาประสพคนที่จะเป็นสังฆราชได้ต้องฆ่ากิเลสได้คาว่าสังฆราชก็แปลว่าเป็นพระราชาของสงฆ์ถ้าพระราชาของสงฆ์ยังฆ่ากิเลสไม่ได้ก็สู้สามเณรที่ฆ่ากิเลสไม่ได้ สมัยพุทธกาล น, น, น, น, น, นี้สัมมเน้เป็นท่าหลาญคนเพราะนั่นแะสังฆราชแท้เพราะว่างานของพระพุทธศาสนาก็คืองานฆ่ากิเลสใครฆ่ากิเลสได้ก็ถือว่าเป็นแชมป์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของสงศ์ได้คนที่ยังฆ่ากิเลสไม่ได้จะไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินของสงศ์ได้อย่าง พระเทวทัตจะไปจะขอทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเธอยังมีกิเลสอยู่เ ธ, เธอเธอจะมาเป็นเป็นผู้ปกครองสงฆ์ได้จะมาเป็นสังฆราชได้ขนาดคนที่ไม่มีกิเลสเรายังไม่ได้ตั้งให้เขเป็นเลยโมกกาลาสาลิบุตรพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตั้งให้เป็นสังฆราชให้เป็นมือขวามือซ้ายของสังฆราช ดังนั้นอย่าอย่าไปหลงกับสมมติต่างๆให้เป็นเจ้าอาวาสให้เป็นเจ้าคณะตำบนเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอะไรมันก็ตั้งกันไปอย่างนั้นแของจริงตั้งไม่ได้ของจริงต้องทําเองต้ทำข้ากเกลเอทให้ต่ายานแล้วเป็นได้ทุกอย่างเป็นสังฆราชก็ได้เป็นเจ้าอาวาสก็ได้เป็นอะไรก็ได้ ว่าจะเป็นธรรมนวลๆเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ได้ผู้ที่มีธรรมนี่สามารถปกครองทุกคนได้หมดไม่ว่าจะเป็นสงหรือเป็นคารวะจะให้ความเป็นธรรมทุกคนจะปกครองด้วยความนุ่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าไม่มี ถ้ามีกิเลสแล้วปกครองไนก็วุ่นวายลำเอียงมีอคติรักคนนั้นเกลียดคนนี้คนที่เกลียดถึงแม้จะดีขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะได้ดิบได้ดีหรอกคนที่รักถึงแม้จะไม่มีทางดีก็จะได้ดิบได้ดีก็ชอบนี่ลักษณะของของผู้ที่มีกิเลสจะเป็นอย่างนี้ ใจจะไม่เที่ยงแท้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นไปตามความเป็นจริงถ้าคนไหนชอบจะดีจะโชคยังไงก็ได้ดิบไ ด, ด้ดีคนไหนไม่ชอบดียังไงก็ไม่มีวันได้ดิบไ ด, ด้ดีถ้ามีสังฆราชแบบนี้มีพระเจา้าแผ่นดินแบบนี้บ้านเมืองก็วุ่นวายต้องเป็นคนอย่างพระพุทธเจ้า สังฆราชสงสงองแรกพระพุทธศาสนาสังฆราชองค์แรกของพวกเราคือใครก็คือพระพุทธเจ้าต่อมาก็ผ้าอรหันช่วยกันทําเป็นสังฆราชช่วยกันช่วยกันปกครองสงหลังจากที่พระเจ้านิพพานไปแล้ว ก, ม ก, มาาก็มีประชุมผ้าอรหันห้าร้อยลูกประชุมประชุมคณะกรรมการสังฆราช เอามาห้าร้อยรูปเลยมาเป็นสังฆราชรวมกันมาช่วยสังขยาณาคําสอนของพระเจ้าว่าคําสอนของเจ้าที่ทรงตัดไว้ทรงสอนอะไรไว้มากใครจําได้บ้างใครจำไม่ได้บ้างมาทบทวนกันมาเทสกันดูแล้วก็เอามาถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้คําสอนของพระเจ้านี้ต้องต้องมีผู้ที่ใจสะอาดบริสุท มาถ่ายทองถ้ามีกิเลสแล้วเดี๋ยวมันมันจะเบิ่อเกื่อนทำจะไม่บริสุทธิ์ทำมันจะมีของแปกของปลอมปนเข้ามาแต่ถ้าคนที่มากันกรองคำสอนกระเจ้าเป็นผ้าอาหารนี่จะกันกรองพระธรรให้บริสุทธิ์จะไม่มีของแปกปลอมเข้ามา เฉะนั้นขอให้เรามาทําตัวร้ายเป็นสังฆราชดีกว่าคนอื่นจะเป็นไม่เป็นเขาจะตั้งเราไม่ตั้งไม่สําคัญถ้าเราฆ่ากิเลสได้หมดแล้วเราเป็นสังฆราชได้เหมือนพระพุทธเจา้าท่านก็ไม่ต้องใครดูใครตั้งท่านก็เป็นสังฆราชองค์แรก แล้วท่านก็มาสอนให้เพรเรามาเป็นสังฆราชกันที่มาบวชนี้ก็เพื่อมาบวชมาเป็นสังฆราชกันมาฆ่ า, ากีนลสกันฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากให้มันหมดไปจากใจถ้าไม่มีกิเลสไม่มีปัญหาแล้วนี่เป็นสังฆราชแท้จริงปกครองใครได้หมดให้ความ ยุติดธรรมกับทุกคนให้ให้ความน้อมเย็นเป็นสุขกับทุกคนนั้นพยายามปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสขั้นตอนขั้นแรกก็หยุดความคิดก่อนเพราะความคิดมันจะคิดไปในทางกิเลสคิดไปในทางโลกความอยากต่างๆคิดไปในทางโกรธหยุดมันก่อนหยุดมันแล้ว แล้วก็ใช้ปัญญามาข่ามันอีกทีปัญญาก็จะชี้บอกการทำตามความโลภทาตามความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นาไปสู่ความสุขพราะทำได้แล้วมันก็หมดไปได้มาแล้วก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่หา่เรื่อยๆพอตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ กานที่จะหยุดเกิดมันหยุดไม่หยุดเพราะความอยากมันไม่หมดไปกับการทําการความอยากถ้าอยากจะหยุดไม่กลับมาเกิดไม่กลับมาทุกข์ใหม่ก็ต้องหยุดความอยากไม่ทําการความอยากพอไม่ทําตามความอยา ก, า ม, า ม, า ม, ยากมันก็ไม่กลับไปเกิดนี่คือเป้าหมายของการบวชทั้นแรกหยุดความคิดก่อนขั้นที่สอง พอหยุดมันได้ก็หยุดความอยากความคิดที่จะไปทางคามอยากพออยากจะกินหนมก็อยากกินอยากจะดื่มกาแฟก็อยาดื่มไว้เรากินเวลาดื่มเวลาที่กินเวลาดื่มเอาให้กินเวลาขวเดียวกินให้กินกับดื่มเพื่อร่างกายอย่าไปกินกับดื่มเพื่อความอยากถ้าดื่มกินกลางความอยากกินเวลาห ล, หลายหลายรอบ ก, ก็ไม่พอ กินอยู่นั่นเนีกินแปบเดียวเดี๋ยวก็อยากจะกิน อ, อีกแล้ดือมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็อยากจะเดือมอกีกเอาวลาหนเนาะเรากินวันละหนเดือมวันละหนึ่งเดืมอมนั้นก็ดือมน้ําเปล่าไปเดือมเพื่อร่างกายอย่าไปดือมเพื่อความอยากถ้าดือมเพื่อความอยากต้องมีรสมีสีมีกลิ่นถ้าดือมน้ําปรล่ามันไม่อร่อย แต่ถ้าดื่มเพืร่างกายดื่มน้ำประปาก็พออย่าไปทำตามความอยากอย่าไปกินอย่าไปดื่มตามความอยากเพราะมันจะฉุดให้เราดื่มอยากอยู่เรื่อยๆอยากไม่มีวันจบตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่เดินไวาตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่หยุดความอยากถ้าหยุดความอยากแล้วตายไปแล้วก็ไม่กลับมาเกิดไม่มาแก่มาเจ็บมาตายพระพุทธเจ้าไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระรัตนทั้งหลายท่านไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านอยู่ในนิพพานสบายกว่านิพพานก็คือความสงบนี่แหละเรียกว่านิพพานอยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความหิวอยู่กับความอยาก ถ้ามันไม่สงบมันก็หิวมันก็อยากถ้ามันสงบมันก็อิ่มมันก็พอมันต้องมามาทําใจให้ให้สงบให้อิ่มให้พอด้วยการเห็นโทษของความอยากแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ทําตามความอยากตอนต้นก็ต้องหยุดความคิดก่อนเพราะความอยากมันใช้ความคิดเป็นเครื่องมือเหมือนเราใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือ เราอยากไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถพาไปถ้าเราไม่อยากจะให้ให้เราไปไหนมาไหนก็ขายรถทิ้งไปหรือโยนกุญแจรถทิ้งไปพอไม่มีกุญแจรถรถก็ไม่วิ่งจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ความอยากก็เหมือนกันต้องมีความคิดก่อน พอคิดถึงขนมมันถึงอยากจะขนมได้ตอนนี้ยังไม่ได้คิดถึงขนมก็ตอนนี้เลยไม่อยากนะเดี๋ยวพอพอเดี๋ยวไปคิดถึงขนมก็เดี๋ยวก็อยากจะกินแล้วถ้ามันคิดถึงขนมพอจะเกิดความอยากก็หยุดมันไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมเรื่องขนมไปแล้วแล้วมันก็ไม่อยากกินขนมนะต้องพยายามหยุดความคิดแล้วก็หยุดความอยาก เวลาคิดก็อย่า้มันคิดไปในทางความอยากถ้าคิดถึงขนมก็อย่าไปคิดถึงขนมที่อยู่ในจานคิดถึงขนมที่มันออกมาจากนำไส้ใหญ่เอาอกมาจากทาวานหนักกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องออกมาไม่ใช่หรือแต่เห็นขนมที่ออกมาแล้วมันก็จะไม่อยากกินขนมแต่ถ้าเห็นขนมที่ยังไม่เข้าไปในในปากมันก็อยากจะกิน เพมีวิธีแก้กันอยากกินขนมก็นึกถึงขนมที่เวลามันถ่ายออกมาเป็นยังไงขนมดีๆนี่ไม่ใช่ที่มันถ่ายออกมาน mm hmm. ที่เราว่าอ ร, อ, อร่อยน่ากินเหลือเกินพอมันออกมาอีกด้า น, นึทําไมมันไม่น่ากินทั้งเวลาอยากกินท่านคิดถึงตอนที่มันออกมาเอาไหมเ อ, เอาตอนที่มันออกมากินดีไหม มันมีวิธีแก้กันแก้ความอยากกันถ้าอยากมีแฟนก็ดูตับไตไส้พุงเขาบ้างดูกระโหลกศีรษะดูโครงก็ดูดูหัวใจดูปอดดูลำไส้ของเขาบ้างดูเวลาที่เขานอนตายขึ้นอื่นบ้างแล้วยังอยากจะมีเขามาเป็นแฟนหรือเปล่าให้คิดเรื่องราวเหล่านี้มันจะได้ ต้านความอยากได้หยุดความอยากได้พอไม่มีความอยากแล้วจะไม่มีอะไรที่จะสุขเท่าใจที่สงบที่ปราศจากความอยากเราจะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนะนี่คืองานของนักบวชงานของคนที่อยู่ในวัดเนะี่ อย่าไปหลงกับงานเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลูกผักปลุกทำอะไรทำได้ต่ให้ให้ทำควบคู่ไปกับงานของเรางานของเราก็คือควบคุมใจไม่ให้คิดทำไปก็อย่าบ่นไปบ่นนู่นบ่นนี่ไปบทคนนั้นทำน้อยคนนี้ทำมากมีหน้าที่ของเราทาก็ทาของเราไปใคาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาทำไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เงี้ยเงี้ แล้วจะมีความสงบจะมีความเย็นจะมีความสบายมีความสุบอา่านนะจะให้พรมีอะไรจะถามว่าไม่มีจะให้พรนะยะหาวาวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตจินังเป ต, ตานังอุ ป, ปกาปติ ยิชีตังปฏติตางตุมหังพิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาโมนิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันณตารโยสุขีธีขาโยโกภะ อาพิวาธนะศีริตสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโธรรมาวาทานติอายุวนาาาาันูสุภังภาลังถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปนะเอาไปอ่านนะอย่าไปฝากคนนะถ้าไปฝากไม่พอหรอกเอาไปอ่าน เราอ่าเสร็จแล้วอยากจะให้คุณหนึ่งก็ให้ไปนนจากเฉ <ไป S 1> พา <ไป S 1> ะคนนะเออยังไงไม่ชีพอใจไนหะมทำมาพอใจไหย มอยงไงพวามีาจช่วยด้วยวันนี้ให้แล้วไปขอให้ช่วยไป้เลยทยามีพทโ่แล้วเดี๋ยวอย่างดีพยายามจะทำทำมากแล้วกเอาจารย์ใช้เปนแนวทาง กิัก็พยายามใช้พูดโทรนะคะแต่ว่าก็มีว่ายังไม่รู้ที่ว่าใ ห, หให้หยุดให้หยุดคิดก็พูดพูดโทรไปความคิดเดินก็จะแทรกเข้าม า, มาพูดโทรก็หายอยู่กับพูดโทรไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาในาชีวิตก็เข้ามาแล้วก็คิดเรื่องนพุดโทรก็หายอยู่กับพูดโทรให้มากที่ล บอกว่าพุทโธโธแบยคิดติเขาบอกเป็นแบบเป็นอย่าคิดอยากคิดได้ไหครได้เพราะว่าเหมือนว่าโแล้วมันจะมันจะคิดจะคิดทำคิดมันเหมือนมาแทนที่พโธถกับมาบอกอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดพทโธพโพทโรู้โมดีโธหายเลยท่ ต้องคอยตือนสติเ้วยว่าอยากพิจาริจารณาพิาิจาราพิจารณาิจาเอาอันนี้มาใส่องเะฮค้องมี่เลยเสื้อาอะไนะเสื้อผาชะเท่าเป็นชื่อกระโปรงนี่ก็มีะตัวจดแร้อตเองงแต่่ เนตามนี้ตัวะาม้อยเก้าสิบนเกยนตัวหนึ่งสองยนหนึ่งสะรนเสร็จไปไม่ไหวแล้วมีเงนซ้อเสื้อผ้าใ่านสุดสสัึกษานีบาต้องมีเงน้อเสื้อผ้ามีก หนังสือสัมมาานี่หายากนะไปอ่านนะแล้วไปบูชาเพื่อนเรียนก็เขียวกันนะนักบานทุเทางนบายูดอนดอนยูดอนจนมาเลียกรุงเทพจนอยูดอนเด้อเจอยูดอขึ้นเด้อใช่ค่ะ เราก็เคยไปอยู่ดอนอยู่กับลวงตาอยู่แปดีกว่าสับพ่คุณนั้นอายุ1 8ตอนนี้คอเราเรียนมีชั่ี้หร่อายุ10ขวบอยู่ค่ะยัง10ขวบอยู่9ขวบอยู่อยู่ป .3 อยู่ป .3 อยู่อยู่ป .3 เราไปอยู่ปีหนึ่งต่อถึงปี26 2เราก ไก้จบใกล้จบแล้วแล้วหันลงสุดดูดอนพิษแล้วใช่ไหมดอนพิษหมดดอนพิษหมดเลยค่ะแล้วจบแล้วก็ไปต่อมาอะไรกันเะ่ยไปต่อที่ไหนกรุงเทพเหรอตอกรุงเทพคอนแกนคอนแกนแล้วมาสนใจธรรมะตอนไหนล่ะ ตอนนี้ยังหาก็ไม่เลยใ่ะหมไม่เคยได้เข้าวัดอยู่ด้วยกันบอกว่าไปหาท่านรอมั้งไหมมาบอกไปอยู่ไหนมามีเพื่อนๆนี่แหละค่ะที่แบบชวนเข้าวัดไปบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ชอบนะคะเวลาฟังธรรมะก็ชอบค่ะดีัาใจง่ายพยายามฟังบ่อยๆ เราจะมีแสนสว่างนาพาชีวิตคบดีได้เพื่อนเพื่อดีด้วยคบบัณฑิตคบคนดีจะเป็นมงคลอย่างยิ่ง อ, อย่าไปคบคนไม่ดีนคนไม่ดีก็คือคนชอบเที่ยวชอบเล่นชอบเดินชอบอบายามุขนี่จเปคนไม่ดีคนดีคือคนชอบฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมชอบเาวัดเพราะว่านี่เป็นแหล่งของความรู้ที่แท้จริง ความรู้ที่ไม่มีไม่มีความรู้ในโลกนี้สามารถที่จะเปรียบเทียบได้เพราะความรู้ทั้งหมดในโลกนี้ดับความทุกข์ใจเราไม่ได้แต่ความทุกของพระพุทธาความรู้ของพระพุทธศาสนานี้ดับความทุกข์ได้ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เย็นเยอะนะคะทางธรรมะก็เย็นลงเยอะ มองอะไรก็ให้มันธรรมดาดีอไม่ต้องไปวุ่นวายกับมัไม่เครียด<ม>เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เมื่อก่อนเราไม่รู้ไงเราคิดว่าเราสามารถที่จะจัดการควบคุมทุกอย่างได้พอยิ่งไปพยายามไปควบคุมบังคับมันมันยิ่งเครียดอย่าใ่ใช่ถ้าปล่อยให้มันเป็นตามเรื่องตามราวไปก็จะสบายก่อ น, นปี๊ดองเดียวละเดี๋ยวนี้โอเค และพยายามลองนั่งสมาธิด้วยนะมี่จะทําให้มีกําลังมากขึ้นหลวสวดมนต์อยู่ตรงทางดังเลยาไม่มีสมาธิค่ะก็ต้องสวดไปก่อนใช่ไหมคะฝึกจากการสวดมนต์ไปแต่ก็อาคิดนะคะว่าสวดมนต์ฟังก็ไม่รู้เรื่องสวดไปทําไมแกล้งเค่ะสวดเพื่อไม่ให้คิดใช่แล้วก็เลยทราบว่าเออสวดแล้วมันว่างเอสวดให้ใจว่างให้ใจมีสติเน้นใจมันชอบไหลไปกับความคิด พอาสวดไปมันก็ไม่มันก็นิ่งมันก็สงบพอมันสงบก็นั่งดูลมต่อไปมไม่ต้องสวดถ้ามันเริ่มสงบแล้วก็ไม่ต้องสวด<ม>ที่สวดใหม่ๆเพราะว่ามันมันไม่นิ่งท่านดูลมยังไงคะก็ดูเฉยๆดูที่ทปลายจมูกหลับตาแล้วก็ดูสังเกตดูว่าเวลาหายใจเข้าลมมันก็ต้องประทับอยู่แถวปลายจมูก<ม>เวลาหายใจออกมันก็ต้องมาประทับอยู่แถวปลายจมูก คิดภาพอย่างนี้เหรอคะว่าออิเราทพใช่ไหมครับแล้วต่อไปมันก็จะพอจิตสงบลงมากๆมันก็จะมันก็จะจับนมได้ตอนนี้เรายังจับลมไม่ได้แต่เราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราไม่เคยดูมันเราก็เลยมองมันไม่เห็นแต่ถ้าใจเราสงบหลังจากที่เราสวดมนตแล้วใจเราว่างแล้วทุกคนมันดูมันก็จะ มันก็ใช้ลมเป็นที่เกาะใจทั้งนเองไม่ให้ใจไปคิดต่อถ้าคอยดูลมไว้กำลังหายใจเข้านี้กำลังหายใจออกมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอมันเข้าอยู่ที่ลมไปเรื่อยๆมันก็สงบได้หรือถ้าใช้ลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธไปแทนก็แล้วเราใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปเนี่ยๆถ้าพุทโธก็ไม่ต้องไปดูลมไม่ต้องไปสนใจกอะไรถ้าอยู่กับคําพุทโธเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวมันก็รวมข้าสู่ความสงบได้แต่เราดูบางทีมันก็เหมือนกับจะตกหลุมตกบ่อนไปวุบลงไปไม่ต้องตกใจให้รู้ว่าเอ่อเนี่ยจิตกําลังจะสงบให้รู้เฉยๆพอมันรวบลงไปแล้วมันก็นิ่งแล้วก็จะสบายก็ให้รู้เฉยๆไปปล่อยให้มันสบายไปจนกว่ามันจะถอนออกมาจ คอมาเริ่มคิดใหม่ถ้าอยากจะให้มันสงบมาก็พุทโธเข้าไปนี่คือนั่งสมาธิอ่านั่งสมาธิเวลานั่งถ้านั่งไม่ไหวแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็พุทโธพุทโธมะค อ, อยควบคุมความคิดไว้ทั้งวันเลยอย่าให้มันคิดคิดได้เดี๋ยวมันฟุง้งเดี๋ยวมันเครียดถ้ามัไม่คิดแล้วมันจะสบายไปทั้งวันนะเราต้องลองทําดูถึงจะรู้แล้วต้องทําบ่อยๆ ทำใหม่ๆนี่มันเหมือนกัดพิมพ์ดีกชั้งแรกๆพิมพ์ไม่ชำนาญต่อไปพิมพ์ไปเรื่อยๆต่อไปมันชำนาญนี่ยมันจะรู้วิธีควบคุมใจใจนี้ก็เหมือนรถยนต์ดีๆนี่เราจะเร่งให้มันวิ่งเร็วก็ได้จะหยุดมันก็ได้แต่ตอนนี้เรามีแต่คันเร่งเราไม่มีเราไม่มีเบรคมันชอบชนอย่างเดียวชนแล้วก็เจ็บแล้วก็มาร้องห่มนั่งห้ถ้ามีเบรคมันก็จะไม่เจ็บ เราจะไปชนกับใครก็หยุดแเบรล้วถอยแลเข้าเกียร์ถอยหลังเนะี่ยเรามีแต่เกียร์เดินหน้ากับมีแต่คันเร่งไม่รู้จักเกียร์ว่างไม่รู้จักเกียร์ถอยหลังไม่รู้จักเบรกชีวิตเราต้องรู้เหมือนรถยนต์มันต้องเข้าเกียร์ว่างบ้างมันต้องถอยหลังบ้างเพื่อจะได้ไม่มี ป, ปัญหากับใครไม่มีเรื่องมีราวกับใครอาจารย์คะแล้วอย่าง อย่างเวลาเราเราดูแลลูกเงี้ยหันลูกไปลูกอย่าเงี้ยก็อย่าไปชนกับมันปล่อยมันไปปล่อยเลยเหรอคะบางครั้าเราปล่อยเรามีความรู้สึกว่าเราผิดหรือเปล่าที่เราไม่อจะไม่ดึงไม่ลังไม่อ๋อก็ดึงมาสิดึงได้ก็ดึงก็ดึงแล้วมันจะไปจะทำไงใช่ไหมก็คือให้ดึงมันคิดได้เองเนี่ยเหะก็บอกมันไงสอนมันสอนมันก่อนบอกมันก่อนถ้ามันจะดื้อไม่ทําตามจะทํยังไงผจารณ์ฝังจิตมันอยู่แล้วอ๋อ พูดเยอะเยอะค่ะไม่เห็นจะฟังเท่าไหร่เลยก็อาจารยแสดงว่าไม่ฟังอะไรเปล่อยมาเลยละครับาก็พูดเหมือนพูดคนหูหนวกอ่ะพูดไปเรื่อยๆพูดไปแล้วมันได้ยินนึ่คนหูหนวกแหละทำไงดีคะอาจารย์ก็อยู่ทูดใจรายล้วพูดโทร้ายังไงก็ไม่ใช่พูดโทมันมีความรู้ึกว่าเราเราเป็นแม่ไงคะเราเราบอกลองหรือเปล่าถ้าเราไม่ไม่สอนไม่ดึงอย่างเงี้ยคือ เขาไม่ฟังก็จริงเราต้องพยายามพูดให้เขาฟังไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็พูดแล้วไม่ใช่เลยก็เขาบอกแล้วบอกให้พูดยังไม่ได้ให้ไม่ให้พูดอืมเขพูดพูดแล้วเขาไม่ฟังนี่ทําไงปล่อยแล้วก็พูดใหม่โอเคเข้าใจละเข้าใจละค่ะจนกว่าเขาจะคิดได้นะคะแล้วคิดไม่ได้ก็เรื่องของเขาเขาจะไปติดคุกติดตารางก็เรื่องของเขาเนาะอืเนาะเราเขาแล้วจะตอบจะวิเอาล่ามโซ่ไปไม่ได้หรืล่านะ แหละไม่ได้แหลงถ้าไม่ย้ายก็ไปทําอะไรเราก็ล่ามโซ่ไว้อืถ้าล่ามไม่ได้ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาจะวิ่งเข้ากองไฟเราจะไปห้ามเขาได้เราไม่ได้เฝ้าเขาอยู่ตลอดเอวลาแล้วก็อย่าไปเสียใจแล้วอย่าไปโกรธเขาบางทีไปสอนกขาแล้วก็ไม่ฟังก็โกรธเขาอีก อ, อันนี้แหละผิด ตอนนะ้นถ้าก็ไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ทําตาก็ช่วยไม่ได้เหมือนครูเนี่ยักเรียนก็าก็สอนนักเรียนใช่ไหยนักเรียนจะสอบได้หรือไม่ได้ครูก็ไม่มาวุ่นวายกับนักเรียนนะครูก็มีหน้าที่สอนแล้วนักเรียนจะทําการบ้านไม่ทําการบ้านก็เรื่องของนักเรียนนักเรียนจะสอบได้หรือสอบไม่ได้มันก็เรื่องของนักเรียนเราเป็นครูก็มีหน้าที่สอนไปแต่เราไม่อย่างนั้นเราเป็นครูแล้วเราจะไปเป็นเป็นตัวแทนของเข้าด้วยอยากจะ ให้เขาเป็นเหมือนเราทําตามที่เราพูดพอเขาทาตามไม่ได้เราก็เสียใจคํายากนะเจ้กคะที่ปล่อยไปก็ไม่ได้ปล่อยไงให้ทําสุดสุดสุดเลยไม่ทําให้สุดเลยแต่อย่าโมโหอย่าไปโมโหอย่าไปเสียใจทำแล้วก็เหมือนทำเต็มที่แล้ว่ะช่วยมันอย่างสุดสุดแล้ว่ะแต่ช่วยมันมากเกินไปก็ไม่ดีเป็นโทษเองเดี๋ยวมันก็ช่วยตัวเองไม่เกินอ มันก็จะมากอดเราไปจํนวันตายทั้งสอนให้มันเป็นที่เพื่อนของมันเองให้มันรู้จั ก, กผิดถูกดีชั่วแล้วมันจะได้เดินไปของมันเองได้ไม่ต้องให้เราบคอยประคับประคองคอยจูงอคอยลากมันไปนี่คือหน้าที่ของเราเลี้ยงดูให้เขาเป็นตัวของเขาเองให้เขามีความรู้ไปปกป้องรักษาตัวเขาอสอนเขาอาพาเข้าว่าพาไปฟังเทศฟังธรรมหาหนังสือธรรมะมาให้ฟังให้อ่าน อ, อย่างน้อยก็เรียนทางโลกไปก่อนเรียนมาหาลัยจบอะไรไปอย่างน้อยก็มีความรู้ที่จะไปทํามาหากินเลี้ยงชีพได้<ม>แต่ก็ยัางบอกความรู้ทางโลกมันก็เฉพาะเรื่องเลี้ยงชีพเทเอง<ม>แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตใจมันไม่รู้ว่ามันยังมีหลายอย่างที่ควรจะรู้ที่จะทําให้ชีวิตเองดีเรื่อเร็วเ<ม>ช่นอบายมุขนี่มันเร็วทําให้ชีวิตเร็วทําบาปนี่ทําให้ชีวิตเร็ว ก็ต้องบอกเขาว่าไม่ดีอย่าเสพชุฬาอย่าเล่นการพนันอย่าเที่ยวกลางคืนอย่าคบคนไม่ดีเป็นนิสอย่ามีความเกลียดชังอย่าเที่ยวอย่าเล่นให้ขยันทำมาหากิเนเก็บเงินเก็บทองก็ไม่ได้ถึงกับอะไรยังไม่ไปไม่มีแต่<อ>เดี๋ยวเราคงคาดหวังเยอะเราก็เียท<อ>ุกเองพระเจ้าบอกความทุกเกิดจากความอยากของเราเองอไม่ได้เจ็บเกิดจากคนนั้นคนนี้แบบ เราต้องทอยากว่าไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์จริที่้องแก้ที่เรานะคะนั่นสิต้องเลยต้องรู้นั่นแหละจบที่ตัวเองนะคะใช่ความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเองอแต่เรื่องรู้เราก็ทำหน้าที่สั่งสอนเขาเลี้ยงดูเขาไปตามหน้าที่ของเราส่วนเขาจะไปทางไหนนี่เราเราไม่สามารถที่จะไปคอยควบคุมบางคับได้ตลอดเวลา ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาก็ไปกับเราได้แต่พอเขาโตเขาเป็นตัวของเขาเองเขาก็อยากจะมีชีวิตของเขาเขาชอบอะไรเขาก็จะไปทางนั้นดีแล้วค่ะจะได้สบายใจเพราะอาจารย์ชี้แนะเราทําถุดถุดจุดเต็มที่แล้วแล้ไม่ได้บกพร่องแลงั้นลูกจะเถียงครับตัวเองหรว่าให้เราบกพร่องหรือาเคยถ้าเลี้ยงลูกไม่สําเร็จก็ถือว่าเราถูกบกพร่องความจริงไม่ใช่หรอกความสำเร็จของลูกนี้อยู่ที่ตัวเขา ถ้าระบบพ้องก็คือเราไม่สนับสนุนส่องเสียให้ก็มีวิชาความนี้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องบกข้องใครยังไม่สายก็ให้เข้าวัดดูสิถ้าเขาเข้าวัดได้ก็จะมก็ไม่มีอะไรน่นสิเพียงแต่ว่าน่าจะตั้งใจเรยวกว่านี้น่าจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะมาเรื่อยๆก็ดูความสามารถของเขาเขาได้เท่าไหร่ เขาทาได้เท่าไรเขาทำเาเป็นหน่วยสนับสนุนก็อค่กลับไปไม่ด่าแล้วค่ะเราพูดได้สองสองสองวันก็เพย2สักว่าจะสองชั่วโมงกย้าวนะว่คุมอารมณ์เนี่ยน้อยเราต้องคุมตัวเราคุมใจเราหนูไม่เข้าใจเรื่องการกาหนดลมนะคะได้ไปการฝึกฝนควบคุมใจนี่ การดูลมก็บังคับให้ใจไม่ไปคิดนู่นคิดนี่ให้อยู่กับล ม, มอย่างเดียวซึ่งก็เป็นวิธีหนึ่งอยู่กับพุตโทก็ได้หรือถ้าเราทํางานให้อยู่กับงานที่เราทําอยู่ก็ได้ถงจด จ, จ, จ่ออยู่กับงานอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ครัน น, นี้ก็เป็นการเกควบคุมใจให้อยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปตามความคิดต่างๆถ้าเราควบคุมใจได้เวลาจะโกรธก็หยุดมันได้เวลาจะเสียใจก็หยุดมันได้ ไม่ควบคุมมันพอมันจะโกรธก็โกรธไปแลวเสียใจก็เสียใจไปเลยได้เงินก็ทำแต่จะอะไรก็ตามเขาจะได้ฟังด้วยเขาสนุกที่สนุกเจนนมีข้าคฟัวกันหมดเลยยังคนะยมีบุญที่สุดก็ขาดไม่มีข้าวฟัวนะอาจารย์ไม่มีอาจารย์ ว่าจาจารย์สอนนะคะได้สองเด้งเลยว่าอาจารยดสองคนเสองคนเลยเหมือนกันเลยแย่เราทุกคก็อย่างนั้นเอยากให้ลูกได้ดีเท่านั้นเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้ลูกไม่ได้ดีหนี่ที่เราไม่มองความจริงของของลูกเขาเราไม่ดูสมรรถภาพคนเราทุกคนมันไม่เหมือนกันหรอใช่บางคนก็ดีบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเก่ง ไอเราไปมองสมรรถภาพก็ดีไงคะแล้เขาไม่พยายามหรือว่าเรา่าโกรธอะไรเงี้ยสนุกเราเรานาะแค่ที่เราแต่เรื่องพูดก็ต้องพูดอยู่โพูดสอนก็ต้องสอนสนับสนุนส่งเสียให้เขาได้ทําสิ่งที่ดีได้เรียนรู้อะไรต่างมาทำไปแต่เขาจะไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องเบรย เพขอขอเงินไปเที่ยวนี่ก็ไม่ควรจะให้ถ้าไม่มีไม่มีเหตุมีผลถ้านานทีปีหลก็ไม่เป็นไรปีใหม่วันเกิดก็ไปได้แต่ จ, จะขอเที่ยวเป็นประจำนี้ก็ไม่ได้มันก็จะเสียค น, นคไม่มีก้าวคร น, นีก็แล้วกันน ะ, นะอ่าออไม่มูทธน า, นา เดีย๋ยวพุนี้ใส่บารแล้วเปล่าใส่ค่ะใส่บารทุกวันเนาะค่ะค